ประเพณีแห่เทียนข้าพรษา่ครับตนะครับสำหรับเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดบุรีชัมยีของเรานะยครับบริเวณตรงกลางพะบัวนะครับเราเป็นดเทียนะไรไปครับจะเป็นต้นเทียนภาษาไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถประทีนจังหวัดบุรีรันย์ีะไรที่เราเขียน เก่าแก่จะเล่าเรื่องราวนู้ความรูลความรู้ความขับขานผ่านนื้อสาอ่านหน่วยหนบวือลายไม้เขียน ก็เป็นทุ่งนาแล่นหนองน้ำซึ่งจะแห้งขอดบ่อยๆเลยหนองน้ำไปอีกหน่อยจะเป็นป่าปโปร่งที่ชาวบ้านเรียกว่าโคกอีเหลว ของผู้บ่าวคนนั้นว่าความรักมาสูนอกครบเปียบเหมือนสุ่มครอบเข่งใส่เส้นยาสูยิ่งรักมากๆขึ้นก็เหมือนเข่งยาสูครอบหัวใจไว้จนมืดมนไปหมดและถ้าพี่ได้น้องมาเป็นเมียจะพาข้ามแม่น้าโขงไปเมืองเวียงจันเพื่อเอาผ้าไหมไปแล่หัวตัว ง, งามๆมาเทียมเกวียบนบรรทุก ข, ข้าปลือ ลูกลุงใหญ่ซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อภาพผู้สำหรับใส่น้ำตรงมาถึงเอื่อยคำกองจะมีผิวคล้ำก็ดูแต่งตึงทุกส่วนทรงผมเสียงเกินเห็นจอนผมบางๆรับ ก, กันกับตุ้มหูสีเหลืองลูกเล็กๆสองขามทำให้เอื่อยคำกองสวยขึ้นกว่าเก่าผ้าสิ้นมีที่นุ่งถึงจะเก่าไม่เห็นลายดอกก็กลมกลืนกับผ้าขาวม้ า, าเก่า ที่รัตนาอกอยู่ มีสามอย่างคือสู่ห อ, อกันแล้วแต่งตามพิธีกับชวนกันหนีและสู้กันอย่างคิดจุนสู้คำก่อ นำผ้ามุเพ เจีู๊๋หญิงยวนว่าอีกได้เงินล่หลายแล้วสูดีพากันไปเมืองแก้วบอ่อลุงเท้นว่ามุกชายเจีอูคนที่สองกัิวันดามนี่ขึ้นสปอายุทอกันลุงเมฆว่าแล้วหัวเราะถึง่งจันดีลุกพลึงขึ้นพร้อมพูดว่าแมนแล้วถ้าเจ้กับแก้วได้กันขึ้นสีมวนหลายแล้วจันดีก็วิ่งห น, นีไป อุบลราชธานีของเราใหญ่กว่าทุกจังหวัดในประเทศสยามที่ตั้งเมืองอุบล น, นั้นแต่ก่อนชื่อว่าดอนมุดแดงและคนที่มาตั้งเมืองอุบลคนแรกเป็นชาวเมืองเวียงจันทร์มีชื่อว่าพระวอน้องของพระตาเมื่อพระวอถูกฆ่าสึกฆ่าตายก็มีคนอื่นเป็นเจ้าเมืองต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เมื่อพ่อเล่าจบ ก็แถมร้องเพลงให้ฟังอีกว่าเลือไทยไหลรินทาแผ่นดินไว้ชื่อให้โลกรู้ร่ำลือ หนูที่อยู่หมู่บ้านของคูณเองส่วนหมอลำผู้หญิงนั้นไปจ้างหมอลำอำมพอรอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหมอลำหญิงคนนี้คูณได้ยินเขาพูดถึงบ่อยๆว่ามีเสียงหวานและมีรูปร่างงามมาก ลงมาให้หน้ากูหงให้ทรงกูเปียกความหมายของคำพูดคือขอให้ฝนตกลงมามีน้ำขังในานานา น, า น, านและให้กางเกงเปียกฝนสักทีและคำพูดที่คนลืมตัวพูดขึ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำกลอนเสริงนางแมวขอฝน ขึ้นป่าโคดและเดินทางไปต่างเมืองเพื่อหารับจ้างทำงานเอาเงินมาซื้อข้าวแล้วพบสาวงามหลายคนที่มีรูปร่างสวยๆแต่ทิจจุนก็ไม่กล้าพูดด้วยเพราะทิจจุนเป็นคนยากจนข้นแค้นมาก ตกเวลายามบ่ายร้อยพอดีเมื่อตะวันตรงหัวจึงจะหยุดเกวียนกินข้าวเคี่ยง บามีทั้งแหทั้งสูงแต่ของพวกเรามีแหคนละผืนเท่านั้นคุณนึกโมโหลุงกาอยู่ว่าทำไมไม่เอาเครื่องมือจับปลามาทั้งหมด